ก็เพราะว่าเวลาตายไปเนี่ยเวลาตายไปนี่เขาก็จะกอบโกยเอาบุญกุศลไปพบหน้าคนใจบุญศุนยทานนี่เวลาตายไปแล้วเขาก็จะกอบโกยเอาบุญกุศลไปพบหน้าไปปรโลกนั่นแหละส่วนคนตนหนีที่เหนียวนี่เวลาตายก็ไปแต่ตัวสมบัติ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 ชีวิตนี้คือการศึกษาต้องศึกษากันไปตลอดชีวิตจบมาวิทยาัยแล้วก็ต้องศึกษาหรือว่าออกจากโรงเรียนแล้วก็ต้องต้องศึกษาหาความรู้มีคนแก่ในเมืองนอกนี่มีผู้เฒ่าผู้แก่เจ็ดิบแปดิปีแล้วก็ยังต้องไปยังเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยเพราะว่าเขารู้ดีว่าวิชาความรู้นี่สำคัญแต่นั่นมันเป็นวิชาความรู้ทางโลก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 ทางโลกนี่ก็ถือว่าความเจริญก้าวหน้าก็คือมีวัตถุมีทรัพสมบัติเยอะๆแต่ทางทำรรตรงข้ามก็คือว่ายิ่งละยิ่งลดยิ่งเลิกทางโลกนี่ต้องมีเยอะๆแต่ทางทำรรก็คือว่าต้องละต้องลดไปเรื่อยๆคนที่เจริญทางโลกนี่จะมีทรัพสมบัติมากมาย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 ให้ได้เยอะๆจะยิ่งสะสมแทนที่จะเป็นสุขก็กลับเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเป็นภาละเป็นภาละพระพุทธเจ้านี่เปรียบทรัพย์สมบัติว่าเหมือนกับกองไฟกองไฟคือทำให้ร้อนใจใครมีทรัพย์สมบัติมากๆมันก็กลัวคนจะขโมยกลัวมันจะเสื่อมหายไปต้องคอยดูแลรักษา ทำให้ร้อนใจเวลาของหายเวลาคนขโมยไปก็ร้อนใจเวลาของมันเสียก็ร้อนใจมีเปียกเหมือนกองไฟบางกีท่านก็เปียกเหมือนกับว่าต้นไม้เปียกเหมือนกับผลไม้ที่ขาต้นต้นไม้ต้นเล็กๆแต่มีผลไม้คาต้นอยู่หลายลูกด้วยกันมันเป็นยังไงกิ่งมันก็หักกิ่งมันก็หักผลไม้นี่มันทําลายต้นไม้ที่มันอยู่ อันนี้ก็เหมือนกับทรัพสมบัตินั่นแหละบางคนมีมากๆก็ตายเพราะสมบัติเพราะว่าทะเลาะกันพี่น้องบางทีก็ฆ่ากันเพราะทรัพสมบัติสมบัติที่มีมันกลายเป็นเป็นห อ, อกเป็นของแหลมทิ่มแทงตัวเจ้าของบางทีพระเจ้า ก, ก็เปรียบสมบัตินี้เปรียบเหมือนกับหัวงูก็คือว่า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 ถ้าไม่รู้จักปล่อยมันก็ไม่เหมืออันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติแล้วหรือว่าวัตถุกรรมเราต้องรู้จักปล่อยถ้าไม่ปล่อยนี่มันจะทาร้ายเราทาร้ายที่ใจแล้วก็บางทีก็ทำร้ายที่ร่างกายก็คือว่าคนมาขโมยแล้วก็ทำร้ายเรายิงเราตายเพราะว่าเขาอยากได้ ทรัพ ส, สมบัตินั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่รู้ธรรมเข้าถึงธรรมนี่ก็จะรู้ว่าชีวิตที่จเจริญชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่สละสละให้ได้มากที่สุดสละอย่างมีความสุขด้วยนะไม่ใช่สละเพราะว่าเพราะว่าจํายอมต้องสละแต่รู้ดีว่าถ้าสละแล้วใจก็จะเบาสบายมีความสุข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 สละความเกลียดสละความอิจฉาพยาบาทสละความโลภสละความเห็นแก่ตัวอันนี้สละยากถ้าไม่สละทรัพย์สมบัติซะก่อนไม่สละสิ่งที่มันเป็นวัตถุรูปธรรมเชื่อก่อนสละข้างในมันก็ยากเรื่องสละนี่ก็สำคัญนะเพราะว่ามันช่วยลดละความจิดมั่นถือมั่นแต่ว่ายังลดละได้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 ใครไม่เห็นด้วยกับฉันฉันก็ต้องค่าต้องทำลายอย่างพวกที่คลั่งาศาสนามันจะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยพวกนี้นี่อาจจะไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพสมบัติอะไรเลยแต่มันไปยึดรัฐทิ่อุดมการาศาสนาอันนี้ภาษาบาลีเรียกว่าทิฏฐุปาทานทิฏฐุก็คือทิฏฐินั่นแหละ ปะทานในทิฏฐิก็คือความยึดติดในความคิดและพวกนี้จะเป็นมากกับผู้ที่นับถือาศาสนาอย่างไม่ถูกต้องพอนับถือาศาสนาไม่ถูกต้องนี่ก็จะเห็นคนนับถือาศาสนาอื่นเป็นศัตรูชาวพุทธเราก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีศรัทธาในาศาสนามากๆก็เห็นคนาศาสนาอื่นเป็นศัตรู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 สละโดยที่ไม่ได้อยากได้อะไรสละทรัพย์สมบัติสละราชบัลลังก์แม้กระทั่งยอมสละลูกเมียรักก็รักนะแต่ว่าสละได้เพื่อเห็นแก่ส่วนรวมเพื่อเห็นแก่พัะธรรมเพราะว่าพระองค์ก็หวังว่าจะเป็นการบาเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุโพธิญาณโพธิญาณคือการบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อจะได้ขนสรรพสัตให้พ้นจากกองทุกแล้วคนไปเข้าใจว่าพระองค์สละรูปเมียเพราะหิงเกตตัวอันนี้มีคนสมัยนี้เขาไปเข้าใจอย่างนั้นก็ก็เลยไม่ชอบเพราะไปนสนดอนแต่จริงๆแล้วพระนสนดอนน้สละสละของส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือสัรพสัตซึ่งเป็นการสละที่ยากมาก และสังเกตนะเพราะเวสันดอนี่เป็นพระชาสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่จะเป็นพระพุทธเจ้าใดก็ต้องสละเหมือนกันเหมือนกับว่าชาสุดท้ายนี่เป็นชาที่ทดสอบว่าถ้าสอบผ่านก็จะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไดนี่ต้องสละสละขั้นอุกตตนะเริ่มตั้งแต่สละ ลูกเมียสละราชบัลลังก์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถานีถ้าไม่ได้ไม่สละลูกเมียไม่สละราชาสมบัติก็คงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าดังเพื่อนพวกเรานี้ก็ต้องเจริญลอยตามเหมือนกันต้องรู้จักสละก็คือว่าต้องตั้งหลักต้องเป้าหมายว่าชีวิตเราเมื่อปฏิบัตินานเข้านานเข้าหรือว่าแก่ตัว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 บริจาคทรัพสมบัติหมดให้ลูกเมียบ้างให้คนใช้บ้างประเพณียังมีอยู่ในประเทศอินเดียมีอยู่เรื่อยๆเป็นข่าวอยู่เรื่อยก็คือเปลี่ยนจากเศรษฐีมาเป็นสัญญาศีสัญญาศีก็คือผู้จาริกไม่มีหลักแหลงเป็นอนาคาลิกบำเพ็ญเป็นนัก บ, บวชอยู่ง่ายกินง่ายของศาสนา พ, พุทธเราไม่มีประเพณีแบบนี้แต่ว่าก็จะเป็นเน้นเรื่องการสละ